ผู้หลุดพ้นได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในการไหนๆท่านเหล่าใดเห็นภัยในความยึดถืออันเป็นตัวเหตุให้เกิดและให้ตายแล้วเลิกยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นไปได้เพราะอาศัยนิพพานอันเป็นธรรมที่สิ้นไปแห่งความเกิดความตายเหล่าท่านผู้เช่นนั้นย่อมประสบความสุข ลุพระนิพานอันเป็นธรรมเกษมเป็นผู้ดับเย็นได้ในปัจจุบันนี้เองล่วงเวร ล, ล่วงภัยทุกอย่างเสได้และก้าวล่วงเสได้ซึ่งความทุกข์ทั้งปวงทรรมเป็นส่วนแห่งวิชา ในทำเป็นส่วนแห่งวิชานี้คือสมถะและวิปัสสนาตัวสมถะก็คือความนิ่งความสงบความมีอารมณ์อันเดียวจิตที่รู้อารมณ์อันเดียวอยู่กับอารมณ์อันเดียวพระองค์เรียกว่าสมถะหรือสงบซึ่งประโยชน์ของสมถะนั้นพระองค์ก็บอกว่าถ้าอบรมแล้วจิตจักเจริญจิตเจริญแล้วจะระ ราคาคือความพอใจได้หรือพระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรอื่นว่าสมถะนะถ้าทำให้มากจเจริญให้มากย่อมลาดเอียงโน้มเอียงเทเองไปสู่นิพพานกิจที่ทำต่อจากสมถะคือวิปัสสนานั่นเองวิปัสสนาก็คือการเห็นอริยสสสีเห็นความจริงของธรรมชาติคือเห็นการเกิดและการดับนั่นเอง นั่นก็คือเป็นเหตุให้ปัญญาจเจริญเมื่อปัญญาจเจริญแล้วก็จะละอวิชาคือความไม่รู้เสียได้ภิกสุทั้งหลายทำสองอย่างเหล่านี้เป็นส่วนแห่งวิ ช, ชามีอยู่สองอย่างอะไรเล่าสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนาภิกสุทั้งหลายสมถะเมื่ออบรมแล้ว จะได้ประโยชน์อะไรอบรมแล้วจิตจะเจริญจิตจเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจิตจเจริญแล้วจะละราคะได้ภิกษุททั้งหลายวิปัสนาเล่าเมื่อจเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจะเจริญแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาเจริญแล้ว จะได้ประโยชน์อะไรจะเจริญแล้วจะละอวิชาได้แล